ตอนที่ห้าใส่ไร้ายป้ายสีใต้เท้าเหอครานจะฟังคําแก้ตัวเหล่านี้ท่านหญิงมิใช่ว่าผู้น้อยไม่เชื่อท่านแต่ท่านดูสิหลักฐานมันคาใต้อยู่เห็นเห็นเยวว์จนปัญญานางมองไปยังเยววาที่อยู่ไกลออกไปแล้วเอ่ยว่าให้ข้าได้คุยกับพี่ชายศักดิสองสามประโยคเถิดใต้เท้าเหอปฏิเสธทันควันนั้นไม่ได้เด็ดขาดหากพวกท่านพี่น้องแอบเตรียมคําให้การกันขึ้นมาเช้งสิงดาบของลินเซิร์นพาดลงบนลำคอของใต้เท้าเหอเจ้าจะยอมให้คุยหรือไม่ยอม ใต้เท้าเฮอรี่เปลี่ยนเป็นยิ้มประจบประแจงทันทียอมแล้วแล้วในเมื่อซื้อจือเอ๋ยปากมีหรือที่ผู้น้อยจะไม่ยอมเฮยพวกเจ้าหลีกทางให้แม่ทับน้อยเข้ามาเร็วเหล่าทหารทางการหลีกทางให้เ ย, ยว่าจึงพาเหล่าทหารคนสนิทเดินเข้ามาสองพี่น้องรีบคุยกันอย่างรวบรัดเหยาเหยาข้าไม่เคยเห็นข้าวขึ้นราเหล่านี้จริงๆไม่รู้ว่ามันมาโผล่ที่เพิงโจ๊กได้อย่างไร คนงานที่รับหน้าที่ต้มโจ๊กก็ไม่เคยบอกว่าข้าวมีปัญหาแต่หลังจากที่ผู้ประสบภัยกินเข้าไปแล้วกลับเกิดเรื่องขึ้นมาทันทีเยวอพยักหน้าพลางตั้งใจฟังและหาจุดสำคัญพบอย่างรวดเร็วแล้วคนงานที่ต้มโจ๊กละ่ะเยเวหัวาสายหน้าพอเกิดเรื่องพวกเขาก็หายตัวไปทันทีเรื่องราวชัดเจนแล้วหลินเซินเองก็คาดเดาได้เกือบทั้งหมดต้องมีคนวางแผนใส่ร้ายป้ายสีแน่นอนเยวครุ่นคิดครู่หนึ่งแล้วถามต่อวันนี้มีการขนส่งสเสบียงมาหรือไม่ มีสเปียงของวันนี้ใช้หมดไปอย่างรวดเร็วช่วงเช้าจะมีการขนสเสบียงชุดใหม่มาส่งเยว่าเรมีแผนในใจข้าวขึ้นราเหล่านี้ต้องมาพร้อมกับเสเปียงชุดใหม่ที่ขนมาเมื่อเช้าแน่ๆหากสืบตามเบาะแสนี้ไปต้องเจออะไรบางอย่างแน่นอนนางหันไปหาใต้เท้าเหอใต้เท้าเห่อเรื่องข้าวขึ้นรานี้มีเงื่อน ง, งาท่านพอจะให้เวลาพวกเราสักหน่อยได้หรือไม่พวกเราจะให้คําอธิบายที่ชัดเจนแก่ท่านแน่นอน ดาบของหลินเซินยังคงพาดอยู่ที่คอของเขาแต่เขาก็ยังไม่ยอมอ่อนข้อท่านหญิงท่านมีได้กําลังทําให้ผู้น้อยลําบากใจหรอกหรือเรื่องนี้ต้องถึงพระเนตรพระกันของฝ่าบาทแน่นอนคดีนี้จวนจริงเจ้าอิงจะเป็นผู้ตรวจสอบผู้น้อยทําตามหน้าที่มิกล้าปล่อยตัวคนไปส่งเดชหลิงเซินกดดาบให้แน่นขึ้นเจ้าลองพูดอีกทีสิใต้เท้าเหอกระดฟันเอ่ยนี่เป็นโทษหนักถึงขั้นประหารเจ็ดชั่วโคตรหากซื้อจุดต้องการเช่นนั้นก็ฆ่าผู้น้อยเสียตอนนี้เลยเถิด เยวว่ารู้ดีว่าเรื่องนี้ฝ่าบาทต้องทรงทราบแน่นอนเมื่อการบรรเทาทุกเกิดปัญหาและผู้ประสบภัยได้รับอันตรายฝ่าบาทต้องสั่งตรวจสอบอย่างเข้มงวดเป็นแน่ให้ฝ่าบาทตรวจสอบก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเข้าวังไปชี้แจงเองหลังจากความจริงปรากฏช่างเถิดเยว์ว่าดึงมือลินเซิลกลับมาหากเจ้าอยากช่วยพวกเราจริงๆก็จงไปสืบเรื่องคนขนส่งสเสบียงให้ดีลินเซิล เ, เก็บดาบเขามองนางด้วยสายตาลึกซึ้งก่อนจะพยักหน้าอย่างหนักแน่น ใต้เท้าเหยยงถือว่าไว้หน้าอยู่บ้างเขาเอ่ยคำว่าเชิญกับเยาว่าและเยาวลินเซินมองดูพวกเขาถูกคุมตัวจับไปพลางกับด้ามดับแน่นจนแทบแหลกคามือเขามุ่งหน้าตรงไปยังวังหลวงทันทีเสี้ยชิงจือที่อยู่ใต้เพิงน้ำชาฝั่งตรงข้ามเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ในสายตานางถามจันจูที่อยู่ข้างกายด้วยน้ำเสียงเย็นชาเรื่องที่ข้าสั่งให้เจ้าไปจัดการมั่นใจนะว่าไม่มีอะไรผิดพลาดเจรจูตัวสั่นสฐานคุณหนูโปรดวางใจ บ่าวไม่ได้ออกหน้าเองเจ้าขาบ่าวให้ลูกพี่ลูกน้องของบ่าวเป็นคนไปจัดการอีกอย่างตอนที่เขาเอาเงินไปยัดให้คนงานต้มโจ๊กเขาก็คลุมหน้าไว้ตลอดไม่ได้เปิดเผยโฉมหน้าที่แท้จริงเลยเจ้าค่ะเพียงแต่ว่าเซี่ยชิงจือถามเพียงแต่อะไรเพียงแต่คนขนส่งสเสบียงคนนั้นเขาจำคุณหนูได้เพราะคุณหนูเป็นคนออกหน้าไปซื้อตัวเขาเองเกรงว่าเสี่ยชิงจือไม่ได้มีความกังวลแม้แต่น้อยนางเอ๋อยออกมาอย่างเนิบนาบ เหอข้าต้องให้เจ้ามาห่วงเรื่องนี้ด้วยหรือตอนที่ให้เงินค่าได้ชี้ทางสว่างให้เขาแล้วบอกให้เขาขนสบียงเสร็จก็หอบเงินหนีไปให้ไกลาจากเมืองหลวงเพื่อเสวยสุขเสียไม่รู้ว่าเรื่องที่ช่วงนี้มีจรป่าชุกชุมแถบชาญเมืองตะวันออกเขาจะได้ยินมาบ้างหรือไม่นะพูดจบเสี้ยชิงจือก็ย้ยิ้มออกมาอย่างน่าขนลุกเจนจูหนาวสั่นไปถึงขั้วหัวใจในใจเข้าใจจำแจ้งแล้วว่าคนขับรถขนเสเบียงคนนั้นป่านนี้คงไปถึงชาญเมืองตะวันออกแล้ว จนป่าแถบชานเมืองตะวันออกฆ่าคนไม่กระพริบตาเชี่ยวชาญการฆ่าชิงทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขามีเงินก้อนโตติดตัวไปด้วยเกรงว่าคงจะรอดพยากรความตายไปไม่ได้แล้วเสียชิงจือเหลือบมองมาอีกครั้งลูกพี่ลูกน้องของเจ้าไว้ใจได้หรือไม่เจินจูรีพยักหน้าไว้ใจได้เจ้าเข้าไว้ใจได้แน่นอนเช่นนั้นก็ดีจาไว้ว่าหากเขาเกิดเรื่องขึ้นมานั่นเท่ากับบีบเพคาต้องกาจัดเจ้าทิ้งไปด้วย เจนจูรู้สึกเหมือนถูกน้าเย็นจัดราดรถตั้งแต่หัวจรดเท้าใบหน้าซีดเผือดนางขานรับเสียงเบาเจ้าค่ะเมื่อหลินเซินได้เข้าเฝ้าฝาบาทฝาบาทาบาทรงทราบเรื่องนี้อยู่ก่อนแล้วในหัตกําลังถือดีกาที่ศารต้าหลี่ส่งมาเจ้ามาเพราะเรื่องการบรรเทาทุกข์สีนะหลินเซินเหลือบมองดีกาใบนั้นก็พอจะเดาเรื่องได้เขาเอ่ยเข้าประเด็นทันทีฝาบาทจนกัวกงไม่มีทางยักยอกสบียง er และเงินหลวงแน่นอนพยาค่ะ กระหม่อมในฐานะผู้บัญชาการทหารองครักษ์ขอประธานอนุ ญ, ญาตจากฟาบาทให้กระหม่อมเป็นผู้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้จวนกัวกงด้วยพยักค่ะฟาบาททรงมีสีหน้าเคร่งขรึมเหตุใดเจ้าจึงมั่นใจนักว่าจวนกัวกงบริสุทธิ์ฟาบาทนี่คือการใส่ร้ายป้ายสีพยักค่ะก่อนเข้าวังกระหม่อมได้พบกับแม่ทัพน้อยตระกูลเยเวและยอมมาแล้วแม้ภายนอกหลักฐานจะดูแน่นหนาแต่ความจริงกลับเต็มไปด้วยช่องโหว่ ผู้ที่คิดจะใส่ร้ายย่อมสามารถซื้อตัวคนขับรถขนสเสบียงเพื่อสับเปลี่ยนเป็นข้าวขึ้นราได้และการซื้อตัวคนงานต้มโจ๊กก็ยิ่งเป็นเรื่องง่ายดยายพะยะค่ะทุกอย่างดูราบรื่นเกินไปหลักฐานก็แน่นหนาเกินไปจนกลับกลายเป็นน่าสงสยัยสองพี่น้องตระกูลเยววนเป็นคนรอบข้อผักคิดจะยักยอกจริงเหตุใดจึงปล่อยให้ผู้ประสบภัยล้มลงที่เพิงโจ๊กจนเกิดความผิดพลาดเช่นนี้ฝาบาททรงพยักหน้าส้าๆหลินเซิน ยามนี้แม่ทับน้อยกับเยโยต่างถูกคุมขังอยู่ที่จวนจริงเจ้าอินหวังว่าฝาบาทจะทรงเมตตาปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างดีด้วยพยาคะ่ะฝาบาททรงสวนเจ้าเห็นว่าเราเป็นคารราชที่แยกแยะผิดชอบชั่วดีไม่ได้หรืออย่างไรเจ้าก็แค่สืบในส่วนของเจ้าไปพวกเขาอยู่ที่คุกหลวงจริงเจ้าอินเส้นผมจะไม่ร่วงหล่นแม้แต่เส้นเดียวเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่หากสืบหาความจริงไม่พบเราก็ยากจะอธิบายต่อราษฎรได้หากเจ้าอยากให้พวกเขาพ้นผิดอย่างสิ้นเชิงก็จงนําคําตอบที่น่าพอใจมาให้เรา เข้าใจหรือไม่หลิงเซินคุกเข่าข้างเดียวประหม่ารับพระบัญชาเมื่อมาถึงคุกหลวงจริงเจ้าอิงเจวินซื่อเวียก็อยู่ที่นั่นได้เขาได้นําอาหารและเสื้อผ้ามาให้แม้สองพี่น้องตระกูลเยเว์จะถูกขังอยู่ในคุกแต่กลับไม่ขาดแคลนสิ่งใดอีกทั้งสถานที่ยังถูกปัดกวาดเช็ดถูจนสะอาดสะอ้านเป็นพิเศษเมื่อเห็นหลิงเซินเย ว, วาวก็เดินเข้าไปหาเป็นอย่างไรบ้างแวลตาของหลิงเซินปรากฏรอยยิ้มพาดผ่าน ช่างหาได้ยากยิ่งที่นางจะเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหาเขาเองแถมยังมองเขาด้วยสายตาที่เปี่ยนไปด้วยความหวังเช่นนี้วางใจเถิดฝาบาททรงมอบหมายให้ข้าเป็นผู้รับผิดชอบสืบสวนเรื่องนี้แต่เพียงผู้เดียวข้าจะคืนความบริสุทธิ์ให้พวกเจ้าโดยเร็วที่สุดเยวอรู้สึกเคลือบแคลงในความสามารถของเขาอยู่บ้างเพราะขนาดปลาที่หลุดรอดแถมไปสองตัวจากวัดร้างคราวนั้นเขายังสืบสวนมาตั้งนานแต่ก็ยังไร้ร่องรอยท่านจะไหวแน่หรือหลิงเซิร์นเบิกตากว้าง จะไม่มีความมั่นใจในตัวซื่อจื้อผู้นี้ถึงเพียงนั้นเชียวหรือหรือว่าในสายตาเจ้าซื่อจื้อผู้นี้ไรความสามารถขนาดนั้นเย่ว่ายักคิ้วตอบอย่างตรงไปตรงมาใช่หลิงเซินเหมือนมีสอนสามดอกปักเข้ากลาง อ, อกอีกครั้งสองสา ม, มีภรรยาเยว่าไม่เพียงแต่มองดูเรื่องสนุกอย่างสะใ จ, จแต่ยังช่วยเติมเชื้อไฟอีกด้วยไม่นึกเลยว่าซื่อจื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้หูหญินเกรงว่ากําหนดการที่ข้าจะได้ออกไปจากที่นี่คงจะเลือนลางไร้จุดหมายเสียแล้ว ท่านพี่อย่าเพิ่งประนกไปอย่างไรเสียท่านซื่อจื้อก็นับว่าเป็นว่าที่ลูกเขยของจวนกัวกงเราคงไม่ใจจิดใจดำเห็นคนตายแล้วไม่ช่วยหลอกกระมังจริงไหมเจ้าคะซอนอีกสามดอกปักซ้ำลงบนอกหลินเซินเขาคงเป็นศัตรูกับคนทั้งจวนกัว ก, ง, กงมาตั้งแต่ชาติปางก่อนเป็นแน่แต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อเขาดันไปตกหลุมรักลูกสาวบ้านนี้เข้าแล้วหลินเซินปรับสีหน้าให้จริงจังขอพี่ชายและพี่สะใยวางใจน้องเขยผู้นี้จะรีบช่วยฮูหยินและพี่ภรรยาออกไปให้เร็วที่สุด เยาวและสามีภรยาเยว่าความสามารถในการฉวยโอกาสปีนเกลียวของคนผู้นี้จะไม่มีใครเทียบเทียมได้จริงๆ